ก็สงสัยว่าผมจะทํายัางไงไม่รู้แต่สงสัยเรื่องมัชฌิมาปฏิปทานะครับว่ากุศลอย่างอื่นที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยจะเป็นถ้าโดยเฉพาะปรารถนาพบแต่วัดเจเริญกุศลเป็นกรมสุขาริตการโยกไหมหรือว่าจะมีส่วนของการที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือเปล่าครับข้อปฏิบัติใดก็ตามถ้าเป็นไปเพื่อวะตะัตตนี้ข้อปฏิบัตินั้นเรียกว่ามิจฉาปฏิปทา ในปฏิปทาสูตรสังยุตตนิกายนิทานวักเนี่ยนะกล่าวถึงว่ามิจฉาปฏิปทาเป็นไฉไรอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณจึงไปมีปัจจัยเออวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปท่านกล่าวแล้วเนี่ยคําว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณนั้นหมายถึงเจตนายีิบเก้าเนี่ยนะเจตนายีิบเก้าคืออกุศลเจตนาสิบสอง มหากุศลเจตนาแปดรูปราวจรเจตนาห้าอารูปราวจรเจตนาห้าข้อไปสี่เจตนาทั้งยี่สิบเก้าเหล่านี้เนี่นะถ้านําไปเพื่อปฏิสนธิในภพเนี่ยเป็นมิชฉาปฏิปทาเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเป็นสัมมาปฏิปทาโดยที่สุดแม้แต่ให้ทางแล้วตั้งความปรารถนาพระนิพพานไปต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาปฏิปทาเป็นปฏิปทาที่ชอบ พันถ้าหากว่าการกระทําใดถ้าเป็นไปเพื่อพบเพื่อวัตตะเพื่ออุปาทานขันท่าความปรารถนานั้ น, นๆก็เป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นมิจฉาปฏิปทาในที่นี้จะถ้าจัดอยู่ในข้อปฏิบัติ3อย่างเนี่ยกา r m a สุ ข, ขาริการุโยคมัชฌิมาปฏิปทาอัตตะกิเลมทานุโยคเนี่ยจะส่งเคราะห์ใน3อย่างนี้ได้ไหมครับถ้าความปฏิบัติเพื่อปรารถนาพบนเนี่ยนะ มันเป็นได้ทั้งการมัศุ ข, ขลิกานุโยคและอัตกิรมาฐานุโยกเพราะว่าการตากธนาพบของบางท่านก็จะได้ไปสวยสุขใช่เมื่อไปอยู่ณที่นั้นๆั้นเมื่อไปเกิดอยู่ที่นั้นก็จะได้บริบูรณ์พูนสุขในในความสุขเพราะเพราะต้องการพบจริงๆก็ต้องการความสุขนั่นเองก็จะได้ไปเสวยความสุขในพบนั้นๆให้ให้เต็มที่ไปเลยอันนี้แหละก็เป็นการมัุ ข, ขลิกานุโยค แม้แต่ผู้ประพฤติอัตตกิรสมาธานุโยคําตนให้ลําบากก็ทําเพื่อพบนะโดยมากจริงๆแล้วเขาทาเพื่อพบอย่างเฉลินสามพี่น้องอุรเวลกัสตาณทีกัสตะขยากัสตะเนี่ยท่านบอกเลยว่าที่ท่านทําทุกยากลําบากทั้งหมดเนี่ยยันทั้งหมดข้อปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยสันเสริญรูปเสียงและสตรีนเนี่ยนะก็คือจะได้บริบูรณ์พูนสุขด้วยสิ่งเหล่านั้ น, นเนี่ยนะทําททุกอย่างเพื่อให้ได้บริบูรณ์ด้วยรูปบริบูรณ์ด้วย เสียงอ่าแล้วก็บริบูรณ์ด้วยเพศตรงกันข้ามเป็นต้นเนี่นะพันธ์ก็แสดงว่าปรารถนาพบนั่นเองนพันธ์ที่เขาทําเดือดร้อนไอ้ที่เดือดร้อนจะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่เป็นกุศลเป็นอยู่บ้างหรือเป็นเหมือนกันแต่กุศลเหล่านั้นก็เป็นกุศลที่เป็นตายเพื่อวัฏฏะเพราะว่าอย่างที่ที่เรารู้กันว่าโอกาสเจอกุศลประเภทกุศลมีวัตะมีเฉพาะในพระศาสนาเท่านั้น ถ้าหากว่านอกพระศาสนาไปแล้วเนี่ยที่จะมีโอกาสประพฤติกุศลเป็นประเภทวิวัตานี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่ฐานะอย่างโดยที่สุดแม้กระทั่งว่าศึกษาธรรมะเนี่ยคนปรารถนามรคนิพพานเนี่ยนะพูดจริงๆว่ามรคนิพพานคืออะไรถ้าลองซักไปซักมาจริงๆเนี่ยปรารถนาคาว่ามรคนิพพานหรือปรารถนา สภาวะของมรรคผลนิพพานและสภาวะของมรรคผลนิพพานเนี่ยลองอธิบายดูว่าทิศทางมันควรจะเป็นยังไงนนะคุยไปคุยมานีย่ยุ่งไปหมดเลยเนะเริ่มสับสนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยหวังว่าเราคงไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมอย่างที่เรียกว่าปรารถนามรรคผลนิพพานเนี่ยนะอ่าบุคคลทั้งหลายปรารถนามรรคผลที่นิพพานมรรคผลนิพพานณดินแดนแห่งหนึ่งบริบูรณ์ด้วยอริยมรรคดินแดนแห่งนั้นสเสวยตัว นิพพานนิพพานนี้มีสีสันเช่นนั้นเช่นนั้น น, นะก็อธิบายนิพพานเป็นอะไรเป็นสีเสียงเนี่ยนะอธิบายนิพพานเป็นสีเป็นเสียงถ้าอธิบายนิพพานเป็นสีเป็นเสียงเป็นสว่างเป็นต้นเนี่ยนะก็แสดงว่านั่ น, น, นคืออะไรเบื้องหลังของสีเสียงทั้งหมดคืออะไรมหาพูดก็ถือว่าณที่ที่บริบูรณ์ด้วยมหาพูดนั่นแหละคือนิพพานที่ที่บริบูรณ์ด้วยมหาพูดที่น่าปรารถนาทั้งหลาย นไถ้ายิง่งถ้าฟังไม่ดีแบบโบราณหน่อยนะเมืองแก้วอันนะัซึ่งคนฟังโบราณ น, นี่เขาเข้าอุปมาอย่างนั้นจริงๆรัตนะนะเขาก็เขาก็เรียกแบบนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าใจผิดอะไรแต่คนยุคหลังๆมาเนี่ยฟังไม่ดีแล้วเข้าใจผิดอย่างที่พระ อ, องค์บอกว่าอพระสารีบุตรเป็นต้นนะนะข้าพระ อ, องค์มาขอลาพระ อ, องค์เพื่อเข้าสู่เมืองพระนิพพานเออฟังดูเหมือนกับว่ามันมีเมืองเสร็จแล้วอีกต่อไปอีกคำหนึ่งบอกว่า การสมาคมกันด้วยปฏิสนธิจะไม่มีอีกต่อไปสองคำเนี่ท่าถ้าถ้าฟังไม่ดีมันเหมือนขัดกันมากๆเลยบอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการสมาคมด้วยปฏิสนธิจะไม่มีอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการเห็นพระองค์ครั้งนี้ถือว่าเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายเพราะมายังตัติดเครื่องหมายว่าทําไมพระองค์ไม่ถามว่าหรือพระสาวกเหล่านั้นแบอบกว่าพบกันที่นิพพานใช่ไหมก็ไม่ต้องมาอะไรามาล่องลาอะไรมากมาเดี๋ยวก็เจอกันอีกแล้ว อีกไม่กี่ว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ได้พบกันที่ไหนที่นิพพานแต่นี้ไม่มีใช่ไหมท่านบอกว่าตั้งอันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีการพบกันอีกต่อไปการสมาคมด้วยอหนาจปฏิสนธิจะไม่มีอีกต่อไปอันถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมโดยที่ไม่ได้ศึกษาอริยสัจให้เข้าใจเนี่ยนยะจะเป๋ไปที่ไหนก็ไม่ทราบเป๋ไปเป๋มา เป๋มาเป๋ตายเป๋จนตัวเองเนี่ยไม่รู้ศาสนาของใครไปแล้วเนี่ยนะเป๋จนไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยประพฤติพรหมจรรย์ของใครกันแน่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีนี้ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับความพระพุทธเจ้าก็แยกกันไม่ออกเองตรงนี้มันเป็นอะไรนะมันเป็นกรรมของกรรมแท้ๆว่างั้น <laughs> <laughs> มันเป็นความนาคกรุณาที่น่ากรุณาอย่าง อย่างแท้จริงในยุคนี้ซึ่งเป็นลักษณะนั้นทีนี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมเนี่ยนะที่เรียกว่าเป็นไปที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทานั้นน่ะคืออารยมร์อันประกอบไปด้วยองค์ปดพันกุศลใดที่เป็นไปเพื่อให้อริยมร์มีองแปดเกิดกุศล น, นั้นก็สงเคราะห์ว่าเป็นทิศทางเดียวกันกับมัชชิมาปฏิปทาก็เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาด้วยเพราะตัวมัชชิมาปฏิปทาจริงๆเนี่ยขณะไหนขณะอารยมร์เกิด เพราะฉะนั้นกุศลธรรมเหล่าใดที่เกื้อกูลอนุวัตต่ออริยมรรคกุศลธรรมเหล่านั้นก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาตามด้วยเนี่ยนะเพราะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยมรรคที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาฉะนั้นตัวมัชฌิมาปฏิปทานั้นคืออริยมรรคที่แทงตลอดรู้เห็นอรยิยสัจเนี่นะซึ่งจริงๆวันนี้ก็อยากจะปรารล ถ, ถึงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรกับอะไร อนัตตาลักนณสุดคือเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลคือตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะระองตรัสว่าไอ้ข้อปฏิบัติที่เป็นส่วนสุดสองประการบัญประชิดไม่ควรไม่ควรเสพหมายความไม่ควรรับรู้ไม่ควรรับทราบไม่ควรเจริญไม่ควรปฏิบัติข้อปฏิบัติเหล่านั้นเลยหนึ่งคือการสแสวงหาความสุขจากวัตถุ ก, กรรมเนี่ยนะสองการมุ่ง พอรมานตนโดยตะการต่างๆหรือพูดแบบเมื่อคือนก็คือหนึ่งอย่าสแสวงหาความสุขด้วยประสาสัมผัสเนี่ยนะประสาทสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นและกายเนี่ยนะเส้นอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากขู่วิญญาณที่เป็นปัจจัยแห่งความสุขนะอันนั้นไม่ต้องเพราะนั่นเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นกรมมั่วเป็นกรรมมัศุ ข, ขัลิกานุโยกเพราะเหตุใดหนาะพ่อจึงบอกว่าไม่ควรสแสวงหาสุขอะไม่ควรแสวงหากรรมมัศุขถามว่าพ่ออะไร เพราะกามทั้งหลายมีสุขน้อยมีทุกข์มากทุกข์อื่นยิ่งกว่ากามไม่มีเนะทุกข์อื่นยิ่งกว่ากามไม่มีก็คืออย่างมนุษย์ทั้งหลายที่เราเห็นเห็นเนี่ยถ้าเขาไม่ติดข้องในวัตถุ ก, กามแบบทุกวันเนี่ยนะเขาจะไม่เดือดร้อนอย่างที่เราเห็นหรอกความเดือดร้อนของหมูสัตว์ทั้งหลายความทุกข์ยากของหมูสัตว์ทั้งหลายการประกอบอาชีพทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ล้วนแต่อะไร เพื่อบำเรากกรมเนี่ยนะเพื่อบำเรอการมถ้าหากว่าเขาเบื่อหน่ายในการมเนี่ยนะสงัดจากการมสงกัดจากอคุโลธรรมบรรลุปฐมมาร์เขาจะต้องเกิดที่ไหนเกิดในพรมมะโลกที่ไม่ต้องบริโภควัตถุกรมแบบนี้ต่อไปเนี่ยนะก็ก็พ้นละแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะอเพราะความติดใจในวัตถุกรรมเมื่อติดใจในวัตถุกรรมซึ่งมีความสุขไม่มากนักเหมือนบุคคลทั้งหลายผู้ติดยาเสพติดเนี่ยนะ มลยาเสพติดที่เรียกว่าติดพอติดยานะกว่าจะได้ยาประเภทนั้นมาซ่องเสพกว่าจะหามาได้ขนยักเหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะแล้วผู้ที่เสพยาโดยมากก็หมดเรื่องหัวแรงไหมพอได้เสพยาหนึ่งครั้งหลังจากนั้นอีกก็เมาเพลิพล่มๆ อ, อ, อยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วยามันหมดฤทธิ์ก็ไปเที่ยวแสวงหายาใหมา่ก็เดือดร้อนกว่าจะได้ยามาอีกกว่าจะได้ยามาก็แทบตายอย่างนั้นนะ่ะได้เสพอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็อย่างเงี้ยเดือดร้อนอยู่อย่างเงี้ ชีวิตของหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเนื่องจากเขาไม่รู้ความสงบอื่นที่เป็นเครื่องเปรียบเขาไม่รู้จักความสงบอย่างเช่นเขารู้จักแต่ความสุขที่มีสังขารเขาไ ม, ไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าเออมีสุขที่เป็นวิสังขารอยู่นะมีความสุขที่เป็นวิสังขารอยู่นะถ้าลองเปรียบแบบธรรมดาง่ายๆว่านี่นะถ้าไม่ปฏิสนธิในนรกเนี่ยเป็นความสุขใช่ไหมเออก็ใช่ ถ้าไม่ปฏิสนธิในหมู่เปรตทั้งหลายเป็นความสุขใช่ไหมล้วก็บอกว่าใช่ถ้าไม่ปฏิสนธิเป็นหมู่เดรัจฉานทุกแบบเดรัจฉานทั้งหลายนี่เป็นความสุขใช่ไหมใช่ถ้าเป็นมนุษย์นะถ้าไม่เป็นมรงเนี่ยมีความสุขใช่ไหมใช่ถ้าไม่เป็นโรคตานี่มีความสุขใช่ไหม ใช่ไม่มีโรคหัวไม่มีโรคกายไม่มีโรคปวดหัวไม่มีโรคเป็นไข้ไม่มีโรคเป็นหวัดเป็นผื่นเป็นแดงเป็นคันเป็นปวดเป็นเมื่อยเป็นต้นเปหมดเลยนะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วสุขใช่ไหมใช่แล้วสุขทุกเหล่าเนี้อ่มีอะไรเป็นที่ตั้งก็มีกายเป็นต้นเนี่ยเป็นที่ตั้งถ้าไม่มีกายเนี่ยน่าจะสุขจริงเลยถามว่าทําไมจริงด้วยเราน่าสุขจริงเพราะเปรียบเทียบอนุมานจากก่อนหน้านี้มานะ เออถ้าไม่มีถ้าไ ม, ไม่ไม่ต้องเสนอตัวไปในนรกเนี่ยนะเออความทุกข์เหล่านั้นก็ไม่มีถ้าไม่เสนอตัวไปอยู่ในหมู่เปรตเออทุกข์เหล่านั้นมันก็ไม่มีถ้าไม่เสนอตัวไปเป็นเดรัจฉานทุกแบบเดรัจฉานก็ไม่มีถ้าไม่เสนอตัวไปเป็นคนป่วยคนไข้ค น, คนมีโรคมากเลยนะทุกข์เหล่านั้นมันก็คงไม่มีนี่นะถ้าไม่มีขันเหล่านี้น่าจะสุขกว่านี้อีก น่าจะสุขกว่านี้ฮะถ้าเทียบโดยปริยายต่างๆแล้วความสงบประนับดับสังขารทั้งมวลนี้เป็นเป็นความสุขอย่างแท้จริงแล้วความสงบประนับดับสังขารก็ต้องมาแยกสองสองอย่สองส่วนใช่ไหมอย่างที่เรียกว่าชาติพิทุกขาชราเปรทุกขามรนามเปรทุกขักขงเป็นต้นเนี่ยนะตัวนี้คือตัวตัวทุกขสัตว์ความเพลิดเพลินในตัวทุกเหล่านี้แหละเป็นสมุทัยสัตว์ถ้าทุกขับสมุทัยเหล่านี้ดับเป็น นิโรธสัจจะเป็นความสุขอย่างแท้จริงถามว่าปฏิปทาเพื่อทําให้ให้แจ้งไอ้ความสุขอันนี้เนี่ยเป็นมัชชิมาปฏิปทาเป็นปฏิปทาสายกลางนั้นปฏิปทาสายกลางต่อเมื่อมีความสุขเป็นอารมณ์แล้วจึงจะเรียกว่าเป็นเป็นความพอดีที่อยู่เอนินได้กล่าวเลยว่าผู้ที่เว้นการมัสุ ข, ขาริการนุโยกได้เว้นได้เพราะมีศีลศีลเป็นคุณเป็นคุณธรรมที่เว้นจากการมัสุ ข, ขาลิการนุโยก สมมตฐานนี้เป็นคุณธรรมที่เว้นจากอัตกิละมัทธนุโยกดังนั้นการักษาศีลเนี่ยถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยความสุขทางภาษายตนะเนี่ยลดลงไปใช่ไหมใช่ความสุขทางผดภัยยตเอ๋อทางปัญจภ า, าวานนี่ลดลงไปเช่นรักษาอุโบสถเนี่ยนะเมื่อเย็นเดินทางมาเหนื่อยน่าจะได้รับความอร่อยบ้างน่าจะได้ลิ้มเลียอัศสาท่าของเมืองอย่างนี้บ้างจริง เ, รเคยคิดเอาเอ้ยเนี่ย เรามาอย่างนี้ถามว่าไม่มีอาสาท่าเลยหรือในเนี้ยจริงไหมเห็นไหมในท้องตลาดเนี้ยเราดูแล้วเห็นมันหายเห็นหน้ามีอาสาท่าไหมไม่มีเอาแล้วแต่งกวาบนโต๊ะล่ะเอามาจากไหนเอ า, าจากตลาดนี่แหละ อ, อ, อ, อากรอบไหมอร่อยไหมเห็นไหมเป็นไงมือนี้มือเที่ยงไปแล้วก็ไม่เลอะถ้าไม่เลยอะแสดงว่า น, นั่นแหละเราก็อาสาท่าตลาดอันนั้นเหมือนกัน นะนะเป็นอะไรนะถ้าฝึกเสร็จเนี่ยนะถ้าฝึกกรรมฐานเสร็จเนี่ยตามธรรมะเนี่ยเขาบอกว่าจะรู้สิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลอีกพักหนึ่งนะโหปฏิกูลมากเลยอีกพักหนึ่งเอาไม่ปฏิกรูนอีกละเห็นไหมเขาอยู่ยังไงอันหมู่ซา ท, ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆทํายังไงเราจะเจริญกุศลธรรมโดยเฉพาะกุศลศีลเพื่อขูดเพื่อขัดเกลาตัวกามสุ ข, ขัาเลกาโนโยกลักษณะเดียวกันก็ไม่ได้ทําด้วยความแห้งแรง มาทําให้เครียดมาทําให้เหน็ดเหนื่อยมาทําให้ลําบากแต่ก็มีสุขเป็นเป็นเครื่องอยู่อยู่สุขอันนั้นก็คือสมถะสุขที่เกิดจากวิเวกสุขที่เกิดจากเนคขมะสุขที่เกิดจากกุศลสุขที่ที่ไม่มีโทษนะพระองค์บอกว่าให้เธอทั้งหลายกลัวกลัวกามมาสุขให้กลัวกามมาสุขแต่ไม่ควรกลัวเนคขมะสุข พัน้าถ้าผู้ที่ปฏิบัติตามมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยคือผู้ที่กลัวกรมมาสุขมีความสุขกับเนคขมมาสุขมุ่งกรัสรู้ลักษณะนี้แหละเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาเนี่ยนะ ก, นการกรามมาสุขออกไปแล้วมีความสุขกับเนคขมมาสุขแต่ก็จริงนะว่ากรมาสุขทั้งหลายเนี่ยสุขที่เกิดจากการได้วัตถุกรรมโดยมากก็จริงมันก็มีความกังวลอยู่ลึกๆเ น, นะ สมมติถ้าอย่างเราทั้งหลายมีใครยื่นโอ้สิ่งที่เราชอบมานานและให้สักอย่างหนึ่งนะสมมุติถ้าใครชอบเครื่องเพชรอย่างเงี้ยนะโอ้ตอนเขาหยิบยื่นให้น่าจะมีความสุขมากเลยใช่ไหมที่ได้เครื่องเพชรตอนที่มีเฉพาะเพชรเป็นอารมณ์ใขณะนั้นจะสุขแต่ถามว่าหลังจากนั้นละ่ะทุกข์เพราะการรักษาก็โดยเริ่มขึ้นแล้วเออเนี่จะเก็บไปตรงไหนจะเอาไปเนี่ยไม่มีคนแย่งเราแน่นะอะไรเนี่ยนะโอ้เรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยแหละทั้งความทุกข์ทั้งหลายก็จับตามมา ย้อนกลับมานะว่าตัวปฏิปทาเนี่ยเป็นเครื่องดาเนินทางกายวาจาและใจกายวาจาใจที่ดําเนินไปนั่นแหละเรียกว่าเป็นปฏิปทาถ้ามุ่งเพื่อสแสวงหาความสุขในวัตถุกรารมถ้าสแสวงหาความสุขในวัตถุกรารมเรียกว่ากา ม, มาสุขขันิกานุโยกมุ่งเบียดเบียนทำให้ปัญจาภาษาทรูปเดือดร้อนก็เป็นอัตกิรมรรถานุโยค ส่วนมชิมาปฏิปทาสรุปโดยสรุปก็คือรู้เหตุเกิดความดับอาศะทาอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันท่ารู้เหตุเกิดความดับอาศะทาอาทีนวะนิสรณะของท้องไรภาษายตนะหกคือตาหูจมูกเล้นกายใจพ้นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อรู้เหตุเกิดความดับอาศะทอาทีนวะนิสรณะของภาษายตนะหกเหล่านี้แหละเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดดวงตา เกิดตาปัญญามองเห็นทําให้เกิดอะไรเกิดญาณนะเกิดความรู้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อความสงบประงับเป็นไปเพื่อพระนิพพานเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความสงบประงับดักวัฏะโดยประการทั้งปวงอย่างแท้จริงทีนี้ถ้าเราเรามาพิจารณาว่าแล้วโทษของตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะคืออะไร ก็เนื่องจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนะตามสูตรก็บอกเลยว่าชาติพิทุกษ์ขาตรงๆเลยนะถ้าใครเจริญวิปัสนาเไราไม่เป็นเลยนะพอมาว่าไปเจริญตามพุทธพจน์นี่มง่ายดีพุทธเจ้าก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าตัวขันห้าหรือตัวหงะตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปกับชาติชรามารณะโศกะบริเทวะทุกโทมนัสและ ปายาดวิปโยคทุกสัำประโยคทุกปรารถนาแล้วไม่สมหวังอะนะนั่นแหละคือการพิจารณาอย่างนี้แหละเป็นการตามเห็นอาทีนวะของของอะไรของขันห้าพระอัญ ญ, ญากรทัญญะเนี่ยท่านจะทําปริญญาแนวนี้นะอะนะทําปริญญาแบบนี้ยตีระปริญญาเลยว่าสรุปว่าตั้งไว้เลยว่าขันห้าหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจของทุกคนทุกท่านในทุกครอบครเนี่ยคืออะไรคือชาติทุกข์เนี่ยคือตัวชาติ ตัวชาราตัวถ้าชาราที่ใดนะบวกพยาธิด้วยมีธรรมจักเนี่ยแหละที่เรียกวพยาธิพิทุกขาเนี่ยนะพยาธิพิทุกขาเนี่ยมีอยู่ในธรรมจักที่เดียวที่อื่นเนี่ยชาพิทุกขาชราพิทุกขามารณะพิทุกขงไปเลยแต่ถ้าในธรรมจักนี้มีคําว่าพยาธิพิทุกขาด้วยนะมีคําว่าป่วยด้วยความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์แต่ถ้าที่อื่นอื่นนี้ชร า, าก็รวมถึงความ ป่วยเอาไว้ด้วยคือตัวทุกข์ความเจ็บป่วยทั้งหลายเนี่ยมีใครป่วยพ้นตาหูจมกูกลิ้นกายใจไหมไม่มีถามว่าตายอะไรตายก็ตาหูจมกูกลิ้นกายใจนั่นแหละมันแตกทําลายเพื่เเเพอเรียก ว, ว่าตายโศกนะความโศกทั้งหลายมาจากไหนก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจร้องให้บ่นเพอกระเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจเองนั่นแหละเป็นเหตุให้บ่นเพอแล้วถามว่าความทุกข์ทั้งหลายมาจากไหน ก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจสีใจทั้งหลายมาจากไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาอะไรที่เราบอกว่าพรากจากของรักก็เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเป็นเครื่องวัดเออหนี้ในอย่างเงี้ยเรียกว่าวิปโยคทุกแล้วถามมาเรื่ออะไรว่าสัมปโยคทุกขตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเห็นในสิ่งที่ไม่ไม่สมหวังนั่นแหละเป็นตัวเป็นตัวที่เรียกว่าทําให้สัมปโยคทุกข์โดยย่อทุกเหล่านี้ก็คือตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจแท้ๆนี่แหละคือตัว ตัวทุกข์จริงๆเนี่ยตัวทุกข์เพราะเป็นไปตามถ้าหรืออีกในหนึ่งก็คือถ้าพูดแบบถ้าชาติเป็นต้นถ้ามาเหลือให้ย่อก็คืออะไรเหลือว่านี้ทุกข์คือทุกขะทุกข์สังขาระทุกข์แลยวิปริณามะทุกข์มีทวารไหนมั่งไม่เป็นไปตามทุกขตาสามอย่างนี้มีไหมเนี่ยไม่เป็นทุกขะทุกข์วิปริณามทุกข์และสังขารทุกข์เนี่ยนะเพราะว่าทวารตานี่ก็ยังมีโทสะอยู่ใช่ไหม ทวารหูก็มีโสตะเอ่อโทสะทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายเนี่ยเริ่มตั้งะทุกกายแล้วก็ต่อด้วยโทสะเนี่ยนะทุกกะทโอมนัตอุปาญาตก็เกิดจากทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจวิปโยคจากสิ่งอันเป็นที่รักก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมปโยคกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจพันโดยสรุปนะตัวทุกตัวทุกแท้ๆคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ โดยรวมๆแล้วอย่างว่านะตาเนี้เป็นทุกจริงแต่ก็ไม่เคยไร้ความหวังใช่ไหมไม่เคยไร้ความหวังที่จะเห็นนะหวังว่าจะเห็นอะไรต่อไปหวังว่าจะเห็นอะไรโอ้ยเราหวังเยอะจริงๆนะแต่ว่าเราก็จะพูดทำอะไรที่หวังที่มันไม่อะไรนะไม่เข้ากับธรรมะใช่ไหมเพราะเรามาในแวดวงธรรมะเราก็ต้องพูดให้มันเข้าเป็นธรรมะไว้ก่อนนะว่าเรานี่ไม่ธรรมดานะเหมือนกันนะ แต่จริงเราอยากเห็นทั้งหลายอย่างเอาไหมให้ปิดตาพัสะเตอร์ปิดเลยแล้วไปเปิดตอนลืมดูพระธาตุอย่างเดียวเบาเบา <c oughs> ให้ดูอย่างอื่นเป็นผลท่วงไปด้วยเอาไหมผ้าเป็นสีให้ปิดตาตลอดเลยแต่ไม่ปิดก็ได้ เ, เว่นดํามืด ห, หมดเลยนะแล้วมีคนจูงให้ไปถึงแล้วเออดูมแล้วดูแต่เฉพาะพระธาตุอย่างเดียวนั่นแหละก็แสดงว่าไม่เอาเอางใช่ไหมบอกมีหูไว้ยได้ยินได้เสียงธรรมะพอเสียงอื่นเนี่ยปิดหูให้หมดเลย เหมือนเอานะเหมือนพระนารกะนะเขาบอว่าก่อนหน้านี้เหมือนกับดำน้ำําไม่ต้องได้ยินเสียงใครทั้งนั้นเลยรอให้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเราจะไปฟังคำอย่างเดียวส่วนที่เหลือเนี่ยดำน้ำไปไม่หูได้ยินเสียงใครถามว่าเราเอาอย่างนั้นไหมไม่เดี๋ยวเขาพูดอะไรเดี๋ยวเราบอกเขาบ้างดีไหนนะกัๆๆ <g ül> นหาเขาไม่หลดุดได้เล ทวารลิ้นเนี่ยนะเอาไม่เอาเอาพัทเอาอะไรนะอกระดาษกาวหรือกระดาษอะไรสักอย่างมาแตะลิ้นอ่ะนะพลาสติกมาเคลเือบแผนลิ้นแล้วก็บริโภคไปกลืนไปเลยอย่างเงี้โดยที่ไม่ต้องรู้รดอะไรสักอย่างเลยนะก็ไม่เอาอีกนั่นแหละแสดงว่าปัญหาไม่ได้ลดไม่บกพร่องลงเลยในแต่ละทวารยิ่งคนที่เห็นสีที่บกพร่องเท่าไหร่สุขภาพตาไม่ดีเท่าไหร่เห็นแต่สีที่ไม่น่าปรารถนาเท่าไหร่ ความทะเยอทะยานต้องการตาอย่างดีต้องการสีอย่างดีจะมีปริมาณมากขึ้นอย่างที่ว่าคนมีทรัพย์กับคนไร้ซัพย์เนี่ยนะสองคนเนี่ยใครต้องการซัพย์มากกว่ากันคนไร้ซัพบเนี่ต้องการทรัพย์มากกว่ากันถ้ายอมมีสตังในกระเป๋ากับเด็กขอทานนะใครหิวเงินยิงๆกันอขอทานนี่หิวเงินมากกว่ากันนลยถ้าเรามีอาหารเนี่ยแล้วก็กินอิ่นด้วยแล้วหิ้วไปเต็มถุงเนี่ยใครติดข้องในอาหารกับการกับระหว่างเด็กข้างถนทนที่อดอยากห้อยหิว วันนี้เรายิ่งทุกเท่าไหรนะ่นะปัญหายิ่งตามมาเท่านั้นสำหรับผู้ที่ไม่ทำปริญญาทั้งหลายจากปัญหาที่ไหลทางจากขุทวานเนี่ยเป็นสิ่งที่ถมไม่เต็มปัญหาที่มาทางโสตะทวานก็ไม่หาเสียงมาถมไม่เต็มปัญหาทางฆานทวานก็หากลิ่นมาถมไม่เต็มปัญหาทางชิวหาทวานก็หารสมาถมไม่มีเต็มเพราะมันต้องการรสประนีตไปเรื่อยๆใช่ ผมไม่เต็มตันหาทางโธาพาธิภพทวารก็ถมไม่เต็มตันหาทางมโนโทาวารก็ถมไม่เต็มตัวตันหาตัวนี้นี่แหละเป็นตัวสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยสรุปนะทุกครั้งที่เราลืมตาคือการสร้างตากิจกรรมสร้างตาก็เริ่มขึ้นเมื่อลืมตาแต่เอาตอนนี้จะเลิกจะหลับตาและวบอกหูคุณสร้างมาเยอะแยะไปหมดเลยว สร้างมามากเกินไปที่ว่าแค่หลับตาแล้วเป็นมัคขาเพื่อดับตาเนี่ยนะไม่ใช่เลยแล้วทวารหูทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็เหมือนกันตัวนั้นคือตัวสมุทัยสัตว์ถ้าหากอ่าอย่างจะย้อนกลับมาที่ทุกขสัตว์เนี่ยนะความที่พระองค์ว่าชาติติพุทุกขาชราติพุทุกขาเป็นต้นเมื่อกล่าวถึงชาติติพุกเป็นต้นของตาหูจมกูกลิ้นกายใจอย่างนี้แล้วถ้าพิจารณาดูดีๆเนี่ยนะมันน่าเบื่อหน่ายแล้วใช่ไหมนาย ตาหูจมูกลิ้นกายใจความเพลิดเพลินที่ลหลงีมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากมเลยนะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากๆเพราะอะไรเพราะเป็นตัวที่นาําไปสู่พบใหม่เป็นตัวที่ทำํำ เ, เป็นตัวสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะงั้จึงแนะนําสอนนิโรธสัจจะตามมาว่าดับได้นะพระนิพพานความดับทุกข์อย่างแท้จริงคือความสํำรอกตัญหาเหล่านี้นี่แหละโดย ไม่มีส่วนเหลือความละความสละเคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรเนี่ยนะความเพลิดถอนตัญหาการหลุดพ้นจากปัญหาเหล่านี้นี่แหละเป็นเนเป็นความสุขที่แท้จริง คือตาก็ทุกข์เป็นที่หูจมูกเอวกายใจก็เป็นไปกับชาติที่ทุกข์เป็นต้นแล้วตัวตัณหาที่เพรียดเพยนในทวารหกตัวเหล่านี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความสุขอย่างแท้จริงถ้าดับตัณหาดับทุกข์เหล่านี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นความสุขอย่างแท้จริงแต่ผู้ที่จะบรรลุความสุขเหล่านี้เนี่ยนะต้องเป็นคนที่รู้ต้องเป็นคนที่เห็นรู้อยู่เห็นอยู่เห็นอะไรเห็นวันนี้ทุก เห็นว่านี้ทุกขสมุทัยเห็นว่านี้ทุกขนิโรธนั่นแหละเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเพราะตัวความรู้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรธนั่นแหละเป็นมัชฌิมาปฏิปทาถ้าถ้าดูจากปฏิสัมพิธามมัคเนี่ยนะท่านชี้ไว้ชัดเลยว่าพิจารณาจากคู่แล้วเล่นไปสู่อมตะนิพพานได้ไงไอตัวมัคคาที่ปฏิบัติได้ตามนั้นนั่นแหละเป็นเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติ สายกลางเนี่ยที่ไม่เอียงไปหาก า, มมขขหการมสุขลิกานุโยคและก็ไม่เป็นอัตตะกิรมะถานุโยนโคนรรเสรว่าความรู้ในอริยสัจนี่แหละจึงเป็นความรู้ที่ที่เป็นสุดยอดแห่งความรู้เป็นความรู้ที่ดับทุกข์ได้จริงคือรู้ในความรู้ในทุกความรู้ในเหตุแห่งทุกข์รู้ในความดับทุกข์ที่ตัวความรู้ที่ไปรู้ดังกล่าวนั่นแหละเรียกว่าทาง สายกลางทันสรุปว่าทางสายกลางคืออะไรคือรู้ว่านี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกและก็ความรู้ว่าความดับทุกถ้าเป็นที่อื่นนั้นจึงไม่บอกมักเลยเช่นว่ า, เ, าเรากล่าวความสิ้นอาสะวะสําหรับผู้รู้อยู่เห็นอยู่ น, น, นเราไม่กล่าวความดับอาสะวะของผู้ไม่รู้ไม่เห็นถามว่ารู้เห็นอะไรจึงดับอาสะวะได้รู้เห็นว่ารูปรู้เห็นความเกิดแห่งรูปรู้เห็นความดับแห่งรูป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 นี้วิญญาณนี an, ้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนี้ความดับไปแห่งวิญญาณตัวความรู้ที่เข้าไปรู้อันนี้ทุกเออขออภัยนี้ทุกคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความรู้อันนี้เรียกว่ารู้ทุกขสั์ความรู้ว่าจุดทุกทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดได้เพราะประการอย่างนี้เพราะอะไรเกิดเป็นต้นรู้อย่างนี้รู้รู้อิสระจัรู้สมุทัยสัจจะรู้ความดับของ ตอนนี้เป็นความดับของรูปนี้เป็นความดับของเวทนานี้เป็นความดับของสัญญาสังขารและวิญญาณความรู้ตัวนั้นเป็นเป็นความรู้ในนิโรสัจจะถ้ามักอย่าลืมว่ามักเนี่ยคือตัวที่เห็นทุกมักเนี่ยทัศนโธใช่ไหมเห็นทุกเห็นสมุทัยโดยกิจเห็นนิพพานโดยอารมณ์ก็ก็บรรลุอย่างนั้นผลการพิจารณาจนรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละเป็นมัชฌิมาปฏิปทา แล้วทีนี้ถามมาทำยังไงเนอะจึงใช้กิจกรรมชีวิตยังไงที่จะได้รู้เห็นอริยสัจนั่นแหละจึงจึงเรียกว่าเป็นกุศลศีลทั้งหลายที่จะตกปักรักษาตาหูจมูกเลน้นกายใจเนี่ยไม่ให้ไปเกลดอลกตั้วกับบาปอกุศลนั่นเป็นศีลเป็นสมถาวิปัสนาที่ประคับประคองจิตให้เป็นไปกับการพิจารณาอริยสัจได้มากได้ยาวและต่อเนื่องเนี่ยนะได้มากได้ยาวและต่อเนื่อง ทีพระ อ, องค์ท่าทักมองตามธรรมจักรกลับปวัตนาสูตรนะบอกว่าในบรรดาทุกขสัตว์เนี่ยนะทุกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะพระองค์อย่างรู้ทุกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอออยาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพระองค์ก็กออกทําทําปริญญากิจแล้วไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวใดที่พระ อ, องค์ไม่ทําปริญญาทุกอย่างพระ อ, องค์ทำปริญญาเสร็จแล้ว พอองรู้เลยนะว่าตันหาที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือสมุทยัตย์ตันหาเหล่านี้เป็นธรรมที่ควรละตันหาในทวารหกไม่มีตันหาตัวใดที่พ อ, องไม่ได้ละคิดดูนะว่าถ้าพูดใดหนึ่งนะกำลังของพระอรหันต์นี่มีอยู่ข้อนึงก็บอกว่าท่านมองเห็นกามทั้งหลายเหมือนหลุมฐานเพลิงคือเห็นว่าฉันเทราคาในในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะมันร้อนเหมือนฐานไฟ อันนว่าเออความชอบใจเนี่ยนะความชอบใจในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันร้อนเหมือนหลุมถ่านเพลิงของของมาอยากจะฟังแล้ว่าในห้องเรามีใครมีเคยมีความรู้สึกแบบนั้นบ้างขณะที่ตัณหาชอบนั้นแล้วแล้วนึกถึงตัวตัณหาโอ้ยมันร้อนยิ่งกว่าไฟเองนะตัวความชอบของเรานั้นไม่ใช่ความโมเนะ น, นินนะประวัติกเคยบ้างเนาะโอ้โหสำหว่าเมื่อกลางวันเนี่ย ทำไมอาหารมันอร่อยอย่างนี้เห็นปุ๊บโอ้ยตัวนี้นี่ร้อนยิ่งกว่าลุมฐานเพลิงเกันะร้อนเหมือนหลุมฐานเพลิงเลยความบาดเด็ดอร่อยตัวนั้นโอ้เนี่ยเ พ, เพลิดเพลินในอากาศเย็นพอดีเนี่ยไม่มันร้อนเหมือนลุมฐานเพลิงเลยตัวตัวยินดีพวกนี้นะมีความรู้สึกอย่างนั้นไหม